ถ้าเราตั้งใจฟังเทศอย่างเดียวเราไม่ได้ภาวนานะอ่าถ้าเราจะตั้งใจฟังเทศอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพราะฉะนั้นฟังไปด้วยภาวนาไปด้วยจิตมันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหามันตกจากพุโทโธไปก็ไปอยู่กับคาเทศแต่ตอนมันจะตกไปมันจะรู้จังไหมล่ะอะ <laughs> ปัญหาว่าตอนมันตกไปมันจะรู้จักไหมมันทันไหมมันตกไปสองขณะจิตสาขณะจิตรู้ทันกันนะว่าเก่งมากบางทีสิบขณะจิตไปแล้วนี่ยังไม่รู้ว่ามันมันตกไปเนี่ยบางทีมันตกไปอยู่กับเนื้อหาเสียงธรรมะมันเกาะอยู่กับเสียงธรรมะมันคมอยู่กับเสียงธรรมะดูดดื่ม ซึ้งใจถึงซึ้งใจถึงใจกับเสียงธรรมะก็อยู่ในนั้นอมันก็ไม่เสียอะไรอยากขยับอยู่กับพุโทโธอีกก็ขยับเข้ามา <c oughs> ขยับมาอยู่กับพุโทโธอีกก็ขยับเข้ามาต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นแหละมันตกจากพุโทโธไปก็ไปอยู่กับคําเทศมันตกจากพุโทโธไปก็ไปอยู่กับคําเทศ มันได้การต่อสู้มันได้ต่อสู้อย่าลืมอย่าลืมว่าการภาวนานี้เป็นการต่อสู้ชั้นเยี่ยมเป็นการต่อสู้อันดับหนึ่งชั้นหนึ่งกองงานบรรดา ง, งานทั้งหลายที่เราเคยทำเราอย่าไปคิดว่างานอื่นเนี่ยถอดต่อสู้เราต่อสู้งานแบกงานหามตากแดดตากฝนงานเสียงเป็นเสียงตาย มันไม่หนักเท่ากับการที่เราต่อสู้กับอารมณ์ของครีรีนี่ยนะมันไม่หนักเท่ามันหนักหรือไม่หนักเราก็ดูสิมันหนักอือเราจะว่าง่ายกัง่ายเราจะว่านักกันนักต้องบังคับต้องต่อสู้กันอยู่นั่นแหละเอาอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันสงบสักครึ่งชั่วโมงมันยังสงบไม่ได้เลยสักข้านาทียังไม่ได้เลย หานาทีก็ไปมารู้กกี่เท่าไหร่อยู่ละครึ่งชั่วโมงก็ไปมารู้ถึงไหนละฝึกหัดอย่างหนักต้องฝึกต้องฝืนอย่างหนักกว่ามันจะได้มันใช่ไม่ใ ช, มใช่มันจะได้ง่ายๆสันดานกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยมันอบรมจิตของเรามาเป็นกลับกันปุเรชาต์นับไม่ชั่วไม่ทวนมันอบรมมาโดยหลักธรรมชาติของมัน เราจะมาทำห้านาทีสิบนาทีให้มันได้หน้าได้หลังมันจะไได้อะไรก็เนื้อหนังเป็นของมันทั้งหมดเนื้อหนังมันเป็นของกิเลสทั้งหมดมันมีอยู่เป็นพืชเป็นพืชในหัวใจของเราเราจะมาแก้กันห้านาทีสิบนาทีให้มันได้มันยากต้องจับชีวิตนี้นทั้งชีวิตเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันต้องจับทั้งขนาดนั้น อัตภาพนี้เรารู้เรื่องเหล่านี้เห็นว่าสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐจับตลอดชีวิตจับตลอดทั้งชีวิตจากนี้ไปจนตายนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันชีวิตนี้อัตภาพนี้เอาอัตภาพนี้เป็นเดิมพันเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันอไปยืนไปเดินไปนั่งนั่งมากๆนั่งให้ตายก็ลอ ง, น, งนั่งดูสิ เดินเดินมากๆเดินให้ลมลองเดินดูสิต่อสู้ขัดเกลาเพื่อจะได้อบายเพื่อจะได้วิธีเพื่อจะได้แง้มมุมในการทรมานกิเลสหัวใจของเราเพื่อจะให้ดวงธรรมวิเศษที่มีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยตั้งใจทำดูเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพัน์ ถ้าเราไม่ตั้งถึงขนาดนั้นมันไม่สนดับมันไม่สนเหมือนเอาไม้ไปกรีดน้าอ่ะฉาดเป็นรอยนิดหน่อยยังไม่กระพริบตาเลยหมดแล้วรอยขีดหมดแล้วอารมณ์ที่ตั้งไว้ในใจด้วยเหตุที่ใจเราสนใจน้อยมันก็เช่นนั้นเลยที่จะสงบนึบลงไปตั้งอะไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยยาก <c oughs> เราจะให้ความหมายของอะไรสำคัญที่สุดในโลกนี่เวลาเช่นนี้กับเวลาที่เราให้กับความสุขกับตัวเองอย่างอื่นอันไหนสำคัญกว่าอันไหนสำคัญที่สุดเราให้ความสุขกับชีวิตเราข้างนอกไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกไปกินไปนอน ไปหลับไปตื่นไปอะไรต อ, อะไรนี่เราอนุโลมไปตามกิเลสมีความสุขโดยทรรมชอบท ร, ร ม, มีอยู่บ้างถ้าคนเป็นธรรมแต่ถ้าคนไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นแหละคือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวกับที่เราบังคับตัวเองให้มานั่งอย่างนี้เราดูดิมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า เราให้ความสำคัญไหมการที่เราจะต้องมาเกี่ยวข้องเราจะต้องมานั่งแบบนี้มาทำวัดมาสวดมนต์แล้วก็มานั่งภาวนามานั่งเจ็บนั่งปวดแบบนี้สำคัญหรือไม่สำคัญเราให้ความสำคัญไหมถ้าเราเห็นความสำคัญของคุณค่าของธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นจเจริญขึ้นในหัวใจของเราเราต้องให้ความสำคัญ สำคัญกว่า hm ทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญกว่าชีวิตจิตใจของเราฟังแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านสละเป็นสละตายทูทูทูทูธรรมะใกล้จะเกิดธรรมะใกล้จะเกิดไม่กล้าปล่อยธรรมะใกล้จะเกิดไม่กล้าหยุดไม่กล้าปล่อยทูทูทูคาเไม่ตายได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายถึงขั้นนั้น่ะ กัพวกเราอนุโลมไปวันๆเท่านั้นเองอนุโลมไปวันๆเท่านั้นเองก็ก็ยิ้มยิ้มย่องอยู่นั่นแหละทิฏฐิมานะถือเนื้อถือตัวสุรพัฒอะไรมันพาถือเนื้อถือตัวถือทิฏฐิถือมานะอะไรมันพาถือเคยดูไหมเคยย้อนไปไหมมานะความถือตัวรู้จักมันไหม มันมีอยู่ในตัวเรามันมีมันมีมันมีอยู่ในหัวใจของเรานะมันมีไหมรู้จักมันไหมการที่เราจะมารู้จักมันก็ยากอีกเพราะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเข้าตัวมันเข้าข้างตัวมันจะชี้บอกว่าอันนั้นคือมิตรอันนี้คือศัตรูมันก็จะชี้บอกอันนั้นอันมิตรอันนี้มิตรอันนี้มิตรอันนั้นอัไหที่มันชอบที่สุดอันหละมิตรของมันทั้งหมด จิตน่ยมันไม่เคยบอกว่าอันนั้นเป็นศัตรูเป็นกิเลสตัวไร้กาศในหัวใจมันไม่เคยบอกมันไม่เคยบอกเป่าคาถาเข้าไปเคลื่อนไปตามมันเน่ยเพลินเพลินก <Audi Play. S 1> ับสิ่งนั้นเพลินไปกับสิ่งนี้เพลินกับมันเพลินไปแล้วก็เพลิแล้วมันเอาไปหั่นแล้วเพลินไปแล้วก็เพลินแล้วมันเอาไปหั่นแล้ว ไปสับไปซอยไปบีบมะนาวแกล้มล่ะเป็นกลับแกล้มเราไม่เห็นโทษถ้าเราเห็นโทษเราจะต้องเห็นคุณค่า <c oughs> นต้องต่อสู้ไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ได้ไม่เห็นไม่มีกำลังกำลังไม่พอกำลังไม่พอได้ไรไปต่อสู้กับมันกำลังความสว่างไม่พอมันไม่พอจะเห็นกำลังความเพียรความพยายามไม่พอ ไม่พอที่จะคัดเสียเกิดเป็นไฟลุกเป็นไฟขึ้นมามันไม่พอมันไม่พอกำลังไม่พอความพยายามไม่พอความเพียรไม่พอความอุตสาห์พยายามไม่พอเลยปล่อยเลยตามเลยอยู่สะดวกสบายไปตามเพลงของกิเลสวันๆเท่านั้นเองเราก็ดูไปสิดูเขาดูเราดูไปสิ ปเป็นความสําำสำคัญ <c oughs> <c oughs> ต้องอดต้องทนต้องฝ่าต้องฝืนทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครต้องฝ่าต้องฝืนทั้งนั้นดูแต่พุทธเจ้าท่านทรมานจนสลบไหมไหมพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเพื่อเป็นพุท ธ, ธะแท้ๆนั้นะนะไหมวาระสุดท้ายที่จะได้บรรลุธรรมว่าจะได้เห็นอาเห็นธนะรรมสละเป็นสละตายว่าจะได้ เสียงเป็นเสียงตายสละเป็นสละตายกว่าจะได้ทานกับทานทานบารมีทานอุปบารมีทานวัยวะทานบรมัตถบารมีทานชีวิตดูสิทำได้เลยพวกเราทำได้ไหมอันนั้นคือวิสัยของพระศาสดาทําไม่ถึงขนาดนั้นน่ะกำลังไม่พอนี่คือกำลังไม่พอ ไม่พอที่จะมาบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรุทธธรรมด้วยตัวเองอสมาสัมพุทธะตัดสรู้เองโดยชอบสมาสัมพุทโธสมาสัมพุทธะตัดสรู้เองโดยชอบตัดสรู้เองโดยชอบก็คือคนคว้าด้วยตัวเองจังวัดดนก็ดนจังวัดเดาก็ดา การวิว จ, วจารณ์การวิจารณ์วิจัยใคร่ครวญไม่มีหลักให้ดูไม่มีหลักให้ ด, หหดูจับเงื่อนอยู่ในใจนั่นแหละจับเหตุสาวไปหาผลจับผลสาวมาเหตุจับเหตุสาวมาผลจับผลสาวมาเหตุพิจารณาความฟุง้งอพิจารณาความสงบนิ่งดูแต่ท่านพิจารณาถึงความฟุ้งของคิ้ฝุ่นในน้ําน้ําใส้องต้องมองเห็นอะไรหมด หรือแคคืบพอตีนย่าลงไปแล้วกันคีคฝุ่นกระจายคลุงมดมืดม ด, มดเพราะน้ํามันขุนน้ามันขุนกิเลสในใจของเรามันทําให้ใจเราขุนท่าเรียกว่าขุนหมองขุนมัวเศ้าหมองจิตเศร้าหมองจิตขุนหมองจิตเศร้าหมองขุนมัว จิตเศร้ามองขุนมัวมันมัวแล้วก็มันมืดมันมองไม่เห็นอะไรเมื่อก่อนเห็นก้อนกลวดเห็นสัตว์ตัวเล็ก ต, ตัวน้อยอยู่ในน้ำเนะี่ยเอา้าพอไปทําเมื่อกี้ฝุ่นคลุนเมื่กี้ฝุ่นคลุ้งเท่านั้นแหละอะไรก็มองไม่เห็นเห็นแต่ฝุ่นลอยฟุ้งอยู่เต็มน้ามองไม่เห็นโอ้นั่นนะกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง กิริยาของกิเลสในหัวใจของเราเนะี่ยมันแสดงตัวออกมาเหมือนกับมีอะไรมาบดบังสติปัญญาของเราฉลาดแค่ฉลาดแบบกิเลสนั่นแหละบดบังลวงธรรมบดบังบดบังปัญญาแห่งธรรมบดบังปัญญาของธรรมมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวที่เป็นเป็นพิษเป็นภัยตัวที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโทษมันมองไม่เห็น ทำก็เหมือนคนตาบอดทำเดินเหมือนคนตาบอดเดินทำผิดทำถูกเดินผิดเดินถูกเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปงั้นผลตามมาก็คืออะไรผลตามมาก็ทุกทุกสุบสุสุบสุทุ ก, ก, ก, ก, กทุ ก, ท ก, ทกอย่างนั้นนหะแบบนั้นแหละเสียงเสียงเสียงเป็นเสียงตาย เ, เสียงดีเสียงร้าย ท่านจึงให้ฝึกจิตให้จิตสงบจิตสงบก็เท่าเทียบเท่ากับเหมือนกับ น, น้ําใสนั่นแหละเหมือนกระจกใสนอะไรมันสะท้อนเห็นหมดยิ่งใสเท่าไรยิ่งสะท้อนเห็นชัดยิ่งใสเท่าไรยิ่งสะท้อนเห็นชัดหรือเหมือนกับ น, น้ําที่มันใสนั่นแหละมองเห็นไปข้างในเห็นหมดเห็นอะไรเห็นปลาตัวเล็กตัวใหญ่มันมันว่ายมันแหวกมันว่าย เห็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนทรายก้อนไรใส้องต้องเห็นท่านถึงให้จึงให้ทําใจให้สงบอย่าลืมว่าใจสงบก็คือกิเลสสงบนะใจสงบคือกิเลสสงบใจสงบคือกิเลสสงบใจไม่สงบก็คือกิเลสไม่สงบมันดิ้นอยู่ในหวัวใจนั่นแหละพานึกพาคิด แย่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนั่นแหละที่เดี๋ยมันไม่สงบในเมื่อจิตซ่านจิตวุ่นจิตไม่สงบอย่างนั้นนะมันจะมองเห็นอะไรมันมองไม่เห็นมันไม่มีกาลังในตัวเองไม่มีแต่ถ้าจิตสงบเนี่ยมันจับอารมณ์แน่นิ่งชัดมันชัดกับอารมณ์ อารมณ์ที่จิตเข้าไปเกาะเป็นอารมณ์นั้นมันชัดก็อารมณ์ใดก็ชัดก็อารมณ์ใดก็ชัดตรงกันข้ามอารมณ์ขุ่นมัวมันไม่ชัดเสยอย่างก็อารมณ์อะไรก็ไม่ชัดก็อารมณ์อะไรก็ไม่ชัดเห็นอสุภะอสุพังก็ไม่ชัดเห็นว่าอนิจจังทุกขังก็เห็นไม่ชัด เห็นแต่คําพูดเห็นแต่ความจําเห็นแต่คําพูดอารมณ์ที่เป็นธรรมที่ปรากฏแท้ๆในในปัญญาในใจไม่เห็นเห็นก็เห็นลางๆเห็นจังๆแต่ถ้าจิตเริ่มมีพลังจิตก็จะเริ่มแน่จิตจะเริ่มนิ่งจิตจะเริ่มสงบอารมณ์ก็จะชัดเจนเหมือนกระจกที่ใสสะอาด สะท้อนเห็นชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นอะไรตัวเองหมดถ้าเผื่อเรามาส่องดูตัวเราเห็นตัวสกปรกเห็นตัวสะอาดเห็นตัวด่างตัวดำเห็นอะไรเห็นหมดจิตของเราเท่ากับกระจกน่ะกระจกเงานี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องสิ่งที่เป็นแผ่น เป็นแผ่นมันทำให้เกิดความสะท้อนขึ้นมาสติสัมปชัญญะนี่แหละความสงบสติสมาธิเนี่ยสะท้อนออกมาเป็นปัญญาสติสมาธิสะท้อนออกมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาเนี่ยมัน ม, ม, น ม, นมนีมันก็อาศัยส่วนประกอบนั่นแหละนั่นแหละคือส่วนประกอบของมัน ไม่แต่กระจกใสๆเราก็ดูสิมีส่วนประกอบนี่กระจกที่เราเห็นกระจกใหญ่ๆเนี่ ย, ม, ม, ม, ยมันไม่มีแผ่นรองสะท้อนนะมันไม่มีแผ่นรองสะท้อนเราก็ได้มองทะลุเห็นไหมนี่ดูมาสิกระจกเนี่ยเรามองสะท้อ น, อนทะลุแต่ถ้าเป็นกระจกใสๆเนี่ยมันมีแผ่นรองข้างหลังมันะทําให้เกิดความสะท้อนออกมา เงาตัวเงาของเรานะไปสะท้อนเข้าไปในนั้นสติสมาธิก็เป็นแผ่นรองตัวพาสะท้อนนั่นแหละนี่ถ้าเราจะเทียบนะให้เราดูเป็นอุปมาเพื่อจะเทียบกันง่ายๆเพราะฉะนั้นหนักแน่นเข้าไปขัดเข้าไปสีก็ไปทูก็ไปจับจดจอต่อเนื่องกันไปสติสมาธิสติสมาธิ ดีเท่าไหร่ปัญญาก็ชัดเท่านั้นสติสมาธิแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ปัญญาก็แน่นหนามั่นคงเท่านั้นชัดเท่านั้นใสเท่านั้นใสเท่าไหร่ก็เห็นชัดเท่านั้นมัวเท่าไหรก็มืดเท่านั้นใสเท่าไรก็ชัดเท่านั้นมีเป็นอุปมาเราเทียบจิตกับอารมณ์ ทุกเพราะอะไรเผลอแป๊บเดียวเนี่ยหลวมตัวเข้ามนแล้วยึดเข้ามาแล้วทุกแล้วเสียใจกับสิ่งนู้นสิกับสิ่งนี้เข้ามาแล้วไม่พอใจกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้เข้ามาแล้วไม่พอใจกับเสียใจลอะอน้อยเนื้อทําใจผิดหวังอเผลอแป๊บเดียวแหละเป็นแล้ก็ฟัดก็เฟียดออกมาแล้วนี่เรื่องของกิเลส เอาประมาณไม่ได้กับกิริตในหัวใจของคนของสัตว์เอาเป็นประมาณไม่ได้แล้วแต่มันจะแสดงกิริยาการออกมามายาของมันเท่านั้นมายาของมันมากมายมหาศารมากกว่าน้ําในมหาสมุทรมายาของมันแสดงออกมาให้เป็นที่ปรากฏมาแบบมืดๆนั่นแหะ ตัวอสระพิษทั้งนั้นแสดงพิษสองออกมาในหัวใจทำกลางหัวใจของเราไม่ทันมันเราก็สร้างสมาธิสติสมาธิให้มากเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเป็นปัจจัยหนุนปัญญาวิริยะอุสาหะความอดความทนขับเขี่ยวเข้าไปขัดเข้าไปให้มันเข้ามันเข้ามันเข้ า, ขาให้ใสเข้าใสเข้า เม่เกิดปัญญาจนเกิดปัญญาเป็นปัญญาญาณเป็นสมาธิเป็นความแนบแน่นมั่นคงตั้งมั่นความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิความตั้งมั่นอะไรบางคนเขาก็ว่าสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตอบอตกอยังไม่เป็นสมาธิ ฟังดูก็เป็นเรื่องแปลกดีความตั้งมั่นแห่งจิตยังไม่เป็นสมาธิมันตั้งมัน่นพร้อมกับองค์ประกอบสมาวายมะสัมมาสติสมาสมาธิประกอบกันมันสามารถเอาไปกระดุกระดิ ก, กพลิกเพลงพิจารณาอะไรต่ออะไรก็ได้ มันก็อันเดียวกันก็จิตมันตั้งมั่นแหละเป็นพื้นเป็นบาเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสิ่งเหล่านั้นจิตมันตั้งจิตตั้งทราจะมาเทียบก็คือจิตมันมันไม่ล้มจิตตั้งจิตมันไม่ล้มคิดในแง่อุปมาน่จิตมันไม่ล้มคือจิตตั้งจิตตั้งมั่นสงบแน่นอยู่กัที่ ถ้าไม่มีสมาธิกำกับดูแลไม่มีสติกำกับดูแลมันจะอยู่เหรอมันไม่อยู่ถ้าไม่มีสติกำกับดูแลมันไม่อยู่จิตมันไม่อยู่จิตมันจะไปตั้งมั่นได้ไงมันจะสงบได้ยังไงกิริยาของกิเลสทั้งหลายมันเล่นงานอีกมันจะสงบได้ยังไงมันก็ไม่สงบทำให้ใจทาให้ใจทำให้ใจสงบ สงบก็คือสงัดสงัดก็คือสงบสงัดจากกามสงัดจากอารมณ์ของกามสารพัดของกามกิริยาการของมันที่แสดงออกที่ใจของเราถ้าเราตั้งใจจะดูให้ออกถ้าเราตั้งใจย้อนมาศึกษาเราจะดูพยายามจะดูดูจะดูออกกามก็คือความ กามก็คือตัณหาตัณหาคือกามเนี่ยตัวพลังมันพลังงานก็มันตัวตัวเดียวกันตัวพลังกิเลสตัวเดียวกันเราจะประติดใจกับคําศัพท์คําศัพท์ตัณหาแปลว่าความทยานอยากกามแปลว่าความกําหนัดความใคร่ความยินดีแต่มันตัวกิเลสอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวทานก็เรียก เป็นหลายหลายอย่างหลายหลายคำเป็นกิริยาการให้เรารอบกับสิ่งเหล่านั้นคำเหล่านี้ศัพท์เหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันก็เป็นสมมุติที่ตั้งตั้งขึ้นเราดูไปทีเ่เนื้อแท้ของจริงที่มีอยู่ที่ใจนะเราดูดูไปเนื้อแท้ที่นั่นจะทำให้เราศึกษาธรรมะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็ว เอาวันนี้เอาพอสมควรเวลาแค่นี้เอายุดติแค่นี้เอาพวกเรากราบเลิกแล้วละขอนี้ใส่เอ า, เอา